เรื่องเวทสันดรปริทัตตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเราได้เอาบุญพระเวทสันดรกันมาบนพื้นแผ่นดินภาคอีสานนี้อย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าชัดเจนที่สุดก็พอสอบประมาณพอสอสองสยเกจนถึงปีนี้มันก็ฟาดเข้าไปสอง้อยกว่าปีแล้วที่นี่มันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอีกอันหนึ่งวา น, นักปาา รุ่นใหม่นี้บางท่านกับคิดว่าเรื่องพระเวสตันดอนเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเพ้อเพ้อฝันฝันกันเฉยเฉยลราให้คนเชื่อให้คนฟังกันไปอันนี้ก็เป็นความคิดอิสระที่ท่านสามารถที่จะคิดได้ที่จะมีความเข้าใจมีความเห็นอะไรได้เราก็ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าหากเราจะคิดแบบธรรมดาง่ายง่ายโง่โง่อย่งอยงอยอางอาตมายอย่างกับผมเนี่ย ามันเป็นเรื่องเพิ่มฟันแต่งเติมเสริมส่งขึ้นมาให้คนเชื่อคนฟังเฉยๆแต่ก็ควรจะคิดว่ามันมีประโยชน์มากแก่สังคมแก่บ้านเมืองอย่างน้อยที่สุดในพระไตรปิฎกมีหลักฐานไว้ถึงสองแห่งทีเดียวอย่างอยู่ในเล่มที่ยี่สิบแปดนี่เป็นเรื่องราวที่ที่เราเอามาเทศมาสอนกันทุกวันนี้อยู่ในในในใ น, ในเล่มที่ยี่สิบแปดเล่มยี่สิบแปดนี้ เราพูดกันในเรื่องพระเวสสันดรทุกนง่ทุกมุมลองไปเปิดพระไตรปีดกคุธกันิกายชาดกเวสสันดรชาดกคือเป็นชาดกที่สิบพระไตรปีดกเล่มที่ยี่สิบแปดข้อที่หนึ่งพันสี่สิบห้าหน้าที่สามร้อยสิบห้าพูดววาอย่างละเอียดละอ้อแต่อีก เล่มหนึ่งนั้นมีไว้ชัดเจนแต่เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าท่านพูดพระพุทธเจ้าท่านพูดอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สามสิบสามจริยาปีฎกจริยาที่เก้านาที่ห้าร้อยหกสิบ มีที่พูดไว้ชัดเจนที่พอจะเป็นหลักฐานก็คือหน้าที่ห้าร้อยหกสิบของจริยาที่เก้าปฏิปิดกเลนที่สามสิบสามบรรทัดที่เก้ามีคำบาลีว่าทัศมาเสธารยิตวากาลเตปูรังกะท ก, กินังเวสานังวิชินังมัชเชชะเนสิปุสตตีวะมังนัคไมหังมะติกังนามัง นาะปีเปิกัสัมภังชาเตทาเวซาวิธียังแตสามาเวสนตโรอหุแปลว่าพระนางพุทษดีทรงพระคันครบสิบเดือนเมื่อทรงเที่ยวรอบเมืองพระนางก็ได้ประสูตรเราณถ้ำกลางถนนของพวกพ่อขาของคนค้าขายพระนามของเราจึงไม่เนื่องข้างฝ่ายมารดาและบิดา เพราะเราเกิดในถนนของคนค้าขายฉะนั้นเราจึงมีชื่อว่าเวสันดอนี่ภาษาบาลีว่าตัตสมาเวสันตรโรอะณไมหังมติกังนาบังนามของเราจึงไม่เกี่ยวข้องนับปีเปติกสัมพาวังเพราะเอ็นั้นเนีนามของเราจึงไม่เข้าไปเกี่ยวเนื่องกับข้างฝ่ายมารดาและบิดา เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องตัวของท่านเองท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจของท่านว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องปลอมท่านมีสิทธิที่จะคิดได้แม้แต่ว่าพ่อคุณรามคำแหงก็ดีหรือว่าพุทธยอดฟ้าจุลาโลกก็ดีไม่มีตัวมีตนเกิดมาไม้เห็นเป็นเรื่องแตง่งเอาก็ย่อมเป็นสิ่งที่ท่านจะคิดได้ หรือนอกจากพ่อของท่านไปปูหญาตายายลึกขึ้นไปล้วก็ไม่รู้ว่า พ, ออ พ, ออพ่อของพ่อของพ่อของพ่อมีหรือไม่คนนั้นชื่อใช่หรือไม่ทำไมไม่เชื่อก็เป็นได้แต้ไม่ได้ว่าอะไรวนในเรื่อง บุญพระเวสสันดร น, นี้ต้องถือว่าเป็นกุ๊บเป็นบุญที่มีประโยชน์ที่สุดเพราะว่าในเรื่องราวตัวละครของหลวงพระเวสสันดร น, นั้นมีแต่เรื่องราวที่สอนคนให้คนเป็นคนดีเริ่มตั้งแต่เป็นผัวที่ดีของเบียอย่างพระเวสสันดรเป็นเมียที่ดีของผัวอย่างนางมัตรีเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ดังนงังอย่างกันหาชาลีอย่างนางอามิตตตา ถึงขนาดพ่อแม่เอาใช้หนี้ก็ยอมซึ่งมันไม่เหมือนลูกสาวสมัยนี้เลยอยา่างไดก็เอาทำใหเจ้าเกาขึา้นที่ตายแล้วมาสั่น ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามความปรารถนาของพ่อแพ่เพระเหตุนั้นในเรื่องพระเวสสันดร น, นี้จึงมีเรื่องราวเป็นนักการเมืองที่ดีอย่างพระเวสสันดรถูกขับไลน่นี้ถูกไล่นี้ที่ทรงเพรเหตุแห่งการสร้างคุณงามความดีเหมือนผลตีจำลองเข้าหาว่าใช้เงินไม่หมดแต่ในที่สุก็ถูกลับเรื่อเข้ามาอย่างทุบทนทั้งหมดนั้นคือนักการเมืองที่ดีเอาคุณงามความดีเอาความจริงความซื่อสัตย์จริตเอา สิ้นเอาทำมาเป็นเครื่องวัดของตนเองอทดสอบทัดทานอยู่ตลอดตานพระเวสสันดรเป็นนักการเมืองที่ดีทุกไลนี้จากศีพีเชษตุดรดเซร้วนครเจตลาภยังเชิญขึ้นไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินและก็ไม่รับเพราะเห็นแก่ความสงบพร่มเย็นของแผ่นดินกลัวจะรบราข่าฟันกับศรีพีเชษตุดรด น, นั่นเพราะความเสียสละไม่หืนกระหายอำนาจราชศัก์ในที่สุดก็ต้องได้กลับมาด้วยอำนาจแห่งกุลงามความดีในเรื่องนี้ จึงไม่ใช่เรื่องที่ควรจะมองข้ามเป็นเรื่องลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นเรื่องศิษย์ที่ดีของครูปาอาจารย์เรื่อนักการเมืองที่ดีของประชาอนน า, าประชาราษนายพานเจตตลาดเป็นคนสื่อสัตา์ทํางานตามคําสั่งของพระราชาเป็นการราชการที่ดีเป็นนายยานดานหมอยามที่ดีที่สุดทําให้เราได้เห็นอย่างนี้ พระเวสสันดรเป็นนักการเมืองที่ดีถูกไล่นี้ที่ทรงเมืองอื่นจังขานและขอเชิญเป็นพระราชามันผิดกับมากร์มันผิดกับโนลีเอกามันผิดกับโพซิสคู่ถึงถูกแขว้นคอไปแล้วที่โรมาเนียมันผิดกับพระเจ้าชาปาเลวีที่อินหลานถูกไล่นี้ไม่มีแผ่นดินแก่อยู่นักการเมืองสมัยนี้หาตัวอย่างจับอย่างประเวสสันดอรไม่ได้เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายก็จึงไม่ควรจะมองข้ามเรื่องพระเวสสันดอนว่าเป็นเรื่องปลอมปาไม่มีประโยชน์อะไรต่างๆแต่งกันเกิดมาเชื เฉยข้าช่างเธอถ้ า, าว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ควรจะได้นํามาพิณพิจารณามาสั่งมาสองกันมุ่นเหตุในการเอาบุญพระเวสสันดรเราก็เริ่มเทพกันเรื่องบาลายหมื่นบาลายแสนไอ้เรื่องมาลายหมื่นบาลายแสนนี้ไม่ได้วากันให้ละเอียดหน่อยเมื่อก่อนตอนเคลียร์พื้นที่อยู่ไอ้เรื่องมาลายหมื่นบาลายแสนนี้จะเริ่มต้นก็คือเรื่องเทวดานั่นแหละมาลายหมื่นก็พูดถึงเรื่องเทวดามืน่นมาลายแสนก็เทวดาเป็นแสน ทำไมจึงต้องมาเกี่ยวเรื่องกับเทวดาคือเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องพระพิสุองค์หนึ่งชื่อว่าพระมาลัยพระองค์นี้มีฤทธิ์มีเดชเหมือนพระมหมขานะแล้วก็วันดีึืนดีท่านก็ไปเที่ยวทัศนาจรไม่ใช่ไปทัศนาจรน้ำตกแม่กลางพัตยา เขาแหลมเขาวังเขามูลงไปทางใต้ภูเกฤฤฤฤฤฤ็ตอะไรต่งางๆไม่ใช่แต่่านไปเที่ยวทัศนาจร น, นาลกปัง้งสวรรค์บั้งมีเรื่องต่างๆมาเล่าให้ญาติโยมฟังนาลกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสวรรค์เป็นอย่างนี้เอานานลกมาเล่าให้ญาติโยมฟังเขาตกทุกข์ในอยากลําบากก่อเหตุการณ์ทำความชัว่วอย่างน้นค่าสัตว์ตาชีวิตลักศกโจคอพิษอก ผิดใจหลวงลำประเวณีของรักของชอบใจคนอื่นลูกเขามีท่านผัวใครหลูกสาวใครไม่อืุญาตรหลวงเกินไปมุงสาก็หกพกลมหลอกลวงกินเหล้าเมายาทำให้ตนเองเสียสติซ้ำไปชัญญาตายไปแล้วตกนรกอย่างนั้นอย่างนั้นท่านไปเห็นเอวมาเล่าให้คนฟัง แล้วก็ไปสวรรค์เห็นความสวยสดงดงามของสวรรค์ทำบุญสุนทรลทานด้วยอันใดไปสอบถามสัมผัสเทวดาได้เรื่องราวมาเล่ากันอย่โยมฟังคนทั้งหลายเขาเคยฟังแล้วหวาดกลัวต่อนรกปราถนาความสุขบนจวสวรรค์เขาก็อายชั่วกลัวบาปสร้างคุณงามความดีละชั่วแล้วก็มาทําดีคนสมัยก่อนกี่เขาเชื่อพระเชื่อเจ้า สมัยนี้พูดอย่างนั้นนักวิทยานนักการศึกษาสมัยใหม่โลกยุคใหม่ที่เจริญทางเทคโนโลยีทางวัตถไุไม่เจอบามีหลกหน้าไม่เจอบามีนรกมีสวรรค์ตายแล้วกันแล้วไปขอให้ได้อยู่ได้กินได้สนุกสนาน eat and drink beerly t o r r o w w e a d ว่าเป็นภาษาฝรั่งตามค้นฝรั่ง่ากินก็ไมดื่มก็ไปสนุกสนานก็ไปพรุ่งนี้เราอาจจะตาย พอเห็นนั้นเรื่องราวของพระเวสสันดรเรื่องราวในพระศาสนาจึงมีค้า่น้อยคนไม่ค่อยจะสนใจแม้แต่เรื่องราวของพระเวสสันดรเอาไปเอามาพระสงฆ์องค์เจ้าบางองค์ก็ยังพูดอีกกว่าเฮ้ยเรื่องพระเวทสันดอนี่แต่งขึ้นมาสืส่อๆหรอกเว้ยปัญญาละ่ะฮนี่ ก็พายอมผู้เราอียดที่มันก็เลยเสร็จเลยไม่รู้จะว่าอย่างไงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนี้นก็ต้องเชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีบุญคุณบิดามารดามีสมณภาพมีผู้รู้แจ้งเห็นจริงชาตินี้ชาติหน้าโลกนี้โลกอื่นมีถ้าเชื่ออย่างนี้ก็เชื่อได้เลยว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นมีบุญเป็นวิบากนําไปสู่บุญส่วนสัมมาทิฏฐิเบื้องสูงก็คือการทำลาย อาสะวะให้สิ้นไปเป็นกูนีกูสนเป็นใบบางมีความเข้าใจหวัดทุกนี้เหตุให้เกิดทุกในความดับลงแหงรู้ค้นทางปฏิบัติเพื่อดับทุกสามารถทําได้ทําให้เกิดไทบีได้ทำลายอาสะวะกิเลสให้สิ้นไปดับพบสิ้นชาติเกินโซความสิ้นทุกไปสู่นิพพานได้อมตะทําได้ในชาตินี้ชีวิตนี้ได้เป็นอย่างนี้ <c oughs> ขอประธานอภัยขอกินน้าหน่อย ผูปไปพูดมามันก็หมดเสียง <c oughs> ก็เป็นอันว่าเรื่องพระเวสสันดรนี่เราจะต้องเข้าใจเริ่มต้นที่โลกพระศรีอัฏเรื่องนี้มันเกี่ยวกับพระมาลัยพระมาลัองค์นี้ขึ้นนาะแลขึ้นฟสาวันลงนาะโลกมาเที่ยวบอกญาติโยมแล้วก็วันหนึ่ง ท่านไปเที่ยวบินธบาททุกเช้าและพามาลัยคนที่มีต้นกําเนิดบ้านเกิดเมืองนอนของท่านอยู่ที่กัมพชะขามกัมพชาขามมาเลยะชนบทที่ประเทศศรีลังกาทุกวันเนี้ยอยู่ในเกาะลังกาเสร็จ <c oughs> <c oughs> แล้วท่านก็ไปบินธบาทไปบินทบาทแล้วทุกวันทุกวั น, วนมีคนยากคนจนชายหนุ่มคนหนึ่งเลี้ยงแม่ตาบอด ไปเที่ยวตัดฟืนขายไปเที่ยวเกี่ยวหญ้าขายเอาหญ้าไปขายให้พระราชามหากรสเศรษฐีเขาซื้อไปให้มาเขากินสำหรับเทียมรถมา้าพูดทุกวันนี้ก็คือรถที่ต้องเติมน้ามันมา้าที่จะต้องกินหญ้านั่นเองและเขาก็เดินสวนทางกับพระทุกวันมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าเออตัวฉันนี่เกิดมา แต็ไมไปด้วยความทุกข์ยากลําบากน า, นานาประการอยากจะทําบุญสุ้นตรทาสเหมือนชาวบ้านเขาแต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะให้ทานพาะทุกข์ยากลําบากต้องเที่ยวไปหาเก็บผักหากปืนเกี่ยวหญ้ามาขายพอเลี้ยงชีพเลี้ยงแม่ไปวันๆอย่างนี้ทำจะไหนนาะเราจะได้ทําบุญสุ้นตรทาสกับเขาบ้างในที่สุดมีอวันนั่งไอ้คนหนุ่นมทุกขตะคนนี้ได้เดินส้นทางกับพระมหาเถระมาลายท่านก็เกิดความเลื่อมใสยอยู่ในใจ เดินลงไปในทุ่งจะไปเกี่ยวหญ้าหาฝืนก็ไปเห็นดอกบัวเป่งบานสะพั่งอยู่ท่ามกลางบึงหนองก็เลยคิดขึ้นมาว่าเออดอกบัวนี่สวยงามแท้ๆเราไม่มีอะไรที่จะทําบุญซสุนทราานหารเมืนชาวบ้านเขาคนอื่นถ้าฉะนั้นเราลงเอาดอกบัวนี้ไปทําบุญเห็นท่าจะดีเป็นแน่แท้ก็เลยหันหน้าหันหลังใบบีแขกไปไทยมาไม่มีคนเห็นก็นเลยแก้ผ่านลงสู่น้ํา ไเด็ดเอาดอกบัวที่กำลังสวยงามดอกตุ้มๆและกันดอกกำลังเกมบาดเอาขึ้นมาแปดดอกเสร็จแล้วก็เดินมานุ่งผ้าเรียบร้อยเดินก็มาในบ้านมาส่วนกับพระมหาเถระก็เลยตั้งใจทาบุญยกดอกบัวนี่ถาวายใส่บาตให้ท่านท่านก็รับเอาแล้วก็นั่งประนมมืออธิฐานใจถึงความทุกข์ยากลาบากก็ให้ผ่านพ้นจากกําเณจะได้เป็นคนทุกข์ยากลาบากอย่างนี้เลย พระมหาเถระเจ้าเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีเจโตปิญญากำหนดรู้ใจของผู้อื่นท่านเพ่งดูจิตในจิตภ่ายนอกคือดูจิตในจิตของคนอื่นนั้น ท่านก็รู้ว่าชายหน่มคนได้มีศรัทธาปราสาทะอันแรงกล้าแต่เขาทุกอยากลําลบากเขาก็ได้ทําบุญเพียงแค่ดอกโบว ด, ด้วยจิตใจอันราศรัทธาปลาสาธะเรื่อมใสพระพุทธเจ้ากล่าวว่านัตถิจิตตังประซั่นนำพิอปการนามาทัทขีนาเมื่อจิตใจเลื่อมใสและบุญนั้นจะเชื่อว่าเป็นของเล็กน้อยไม่มีอย่ายอมทั้งหลายเราเป็นคนทุกคนยากบั่นหนอกของนาเศรษฐีมีเงินทําบุญสุ้นตระทานทีและเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านบางคนทําเป็นล้าน แต่เราก็ทําเท่าที่เรามีแม้จะทุกข์ยากลำบากเก็บพร้อมรอมริบทั้งสู่ฟ้าหน้าสู่ดินปากะตินถีปาแบกลังนุนบางครั้งต้องกินไม่อิ่มเจียดเงินเจียดทองหรือสิ่งของมาทธาบุญสุ้นตรท า, านพอทําไปแล้วก็สบายใจชื่นใจเบิกบานใจ โยมเอ๋ยจงชื่นใจเบิกบานใจเถิดบางคนทำบุญเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่เกิดความภาคภูมิใจถือว่าทำทำไปสักแต่ว่าทำเพราะว่าเรามีอยู่แล้วพอจะทำจิตใจไม่เปลี่ยมด้วยศรัทธาแม้จะให้ฐานมากก็ยังได้ผ่อนน้อยพระพุทธเจ้าท่านเคยเล่า ว, ว่าในสมัยก่อนโน้นมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อเวลามาพรมมีทรัพย์สมบัติมากต่องทาบุญซุ่นตระทานถาวายช้าง 8ปดมืนสี่พันตัวมาแปดหมืนสี่พันตัวถาทองคํแปดหมืนสี่พันทองคําเต็มพปด้วยแหวนเพชรนินจินดาทานไปแต่จิตใจไม่มีความเลื่อมใสอะไรทานไปแล้วก่อนแล้วพอเรามีทรัพย์สมบัติมากเราไม่เด้สนใจเอาให้ไปแล้วอนแล้วปากนว่าได้บุญไม่มากนะักได้บุญน้อยเมื่อหันล่วงรับดับไปแล้ว ไม่เหมือนบางคนทุกข์ยากลำบากยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวมีสตาจนน้ำตาไหลโอ้ยทุกข์ยากขนาดนี้ก็ขอให้ได้ทำบุญทุนตอนะทานสักหาบาท1ิบบาทไลยเถอะทำไปแล้วก็ไปคิดสบายใจดีใจอยู่เป็นควัน10วันเป็นเดือนเป็นปีโอ้ยทุกข์ยากขนาดนี้เราก็ยังพอได้ทำอยู่ เนี่ยจิตใจเรื่อมใสพระพุทธเจ้าประปาวานนัตถิจิตตังประสัน่นำนำหิอปการนามาทักคีนาเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วบุญนั้นจะชื่อว่าเป็นของน้อยไม่มีชายหนุ่มคนนี้ได้ทานดอกบัวอธิฐานใจแล้วก็ปราปื้มยินดีบุญนั้นจะชื่อว่าเป็นของน้อยไม่มีพระเทระกลับมาถึงกุฏิแล้วฉันบิณฑบาเตเสร็จเรียบร้อยวันนั้นเป็นวันพักนะวันพัก พนรศรีสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงชายหนุ่มคนนี้เกิดศรัทธาจากทาบุญทุกวันพักแต่มันทําไม่ได้วันนี้เลยได้ทําบุญด้วยดอกบวัวมหาเทระเมื่อฉันเสร็จ ก, ก็คิดว่าเออคนยากจนคนนี้เขาปราฏนาบุญยิ่งนักเขามีศรัทธายิ่งนักในพระรัตนตรัยแต่เขาไม่มีอะไรจะทานวันนี้ก็มีดอกบัวมาให้ทานเอาเถิดเราจะทํำยังไงหนอที่จะให้เขาได้บุญได้กุศลมากที่สุด สมกับความปรารถนาของเขาเมื่อพระเทลร์คิดอย่างนั้นก็เลยมนึกได้ว่าวันนี้เป็นวันพักวันพระนี้ตามปกติธรรมดาเทวดาทั้งหลายในสวงสวรรค์จะต้องมาบูชาพระธาตุเกศแก้วจุลามณีสีสันเพชรจิตสถิตจุบันดาวดึงสวรรค์ท่าฉะนั้นเราจะเอาดอกบัว น, นี้ไปบูชาพระธาตุเกศแก้วจุลามณีคําว่าพระธาตุเกศแก้วจุลามณีนั้นก็คือพระธาตุบรรจุ ผมผ ม, มพูดถเจ้าตอนออกบวชเทวดาคือพระอินทร์มาลับเอาไปไว้ที่น่นไม่ใช่อยู่ที่ดอยนางแลที่เชียงใหม่นะ เด๋อนนี้มีพมาลายภาคสองแล้วพณิกรธรรมวาทีเด็กก็พาท่านไปทัวนิพพานวา่าก็ไปนั่นเองโอ้โอยาอาารยโยมบุท ธ, ธบริษัททั้งหลายอย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะนิพพานจะไปทงไปทัวได้ยังไงเพราะนิพพานนั้นไม่มีการไปไม่มีการมานะนาคติงนะนาคติงไม่มีการไปไม่มีการมานะจุดติงเนะ่าปัดติงไม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่มีการเคลื่อน และนิพพานนั้นไม่มีในดวงดาราโ น, น้อยใหญ่ไม่มีในติดในน้ำในไฟในลม แต่มันอยู่ที่ความดับลงแห่งความทุกข์ในจิตในใจอย่าเป็นหลงเฮือเหืมหลงเชื่อพม่าลาภาคสองแล้วก็ไปซื้อดอกไม้ซื้อดอกทบแทนแล้วก็จะไปบูชาพระาธาตุเกศแก้วจุลามณีสีสันเพชรจุติดอยนางแลพระทับมณิมิตเจดีย์นะ่อไหวอย่าจมระวังให้ดีนะาลายภาคสองไม่มาไม่เหมือนมาลายภาคหนึ่งฟังให้ดีคําว่าจุลามณีเนี่ยความหมายนี้เรายังไม่เข้าใจ จุลามะนีก็หมายถึงปินปักผมเครื่องมัดจำมัดจำจุลามะนีเป็นเครื่องมัดจำเครื่องมัดจำคนอินเดียสมัยโบราณเขาชอบใครเขาจะมัดจำคือมีจุลามะนีปักเข้าไปในผมนี่ค่อยมัดจำเจ้าเดอ้อจะขอทำเป็นลูกเป็นเมียเทวดาเขามัดจำพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าออกบวช ด้ตัดพเมาลีด้วยพักขันริมฟังแม่น้ำอโนมาอธิษฐานเพศนั้นนะ่ะเทวดาเห็นก็นมารับเอาผมขอมัดจำจะนับถือศาสนาศาสด า, า, า, า, าองนี้ท่านเด็ดเดียวหรือเกินออกจากราชวังมาบัวท่านจะต้องบรรลุธรรมสูงส่งเอาเถิดเราขอมัดจำไว้จะนับถือองค์นี้เราทั้งหลายมัดจำหรือยังเดนี่มัดจำหรือยัง จุรามณีต่อพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์หรือยังหรือวันนี้ฟังเทศวันนี้ตอนเชา้าไหว้พระซ้ายมาไหว้ผีไหว้ต้นไม้ไหวภูเขาเจ้าทุงเจ้าท่าเจ้าตาเจ้าเขาไหว้ไม่มันไปดักไปหมดเลยไหว้ไปหมดต้นไม้ต้นไหลเอา ผ่านเลื้งเลื้งไปหนุ่งเดี๋ยวไปไหว้ทำโนนเดี๋ยวไปไหว้ทำนี่ไปขูดต้นไม้ขอเละ ข, ข้อหวยไปกับไปนึงถ้าอย่างนี้ยังไม่มีจุรามณีจะไปดอยนางแลอีกห้าหมื่นครั้งก็ไม่เห็นจุรามณีคือยังไม่มัดจำยังไม่มั่นใจเราจะตัดเสื้อผ้าตัดการเกงจะไปซื้อของจะมีต้องมีเงินดาวต้อมีเงินมัดจำจะไปทำอะไรเขาให้มัดจำเครือบเพือบ ป้องกันการเปลี่ยนใจที่จะไปทําอย่างอื่นาเปลี่ยนใจแล้วมันก่อสิ้นเงินทองที่มัดจําเปลืองไปเปล่าๆไม่มีประโจทน์นี่ความหมายของจุฬามันนีคือมัดจํามัดจำมัดจําป้องกันการเปลี่ยนแปลงเดียวนี้เรามัดจําต่อพระพุทธพระธรรมประสองไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเอื่อไม่ไปกาพูดผีปีศาจนไม้ยภูเขาลําธารลหานุ้ยไม่เอา เสียข้อสะดอนามไปตัดกรรมตัดเวรไปเสริมสเนสเนสริมมองคนนั้นมันยังไม่มักจําให้เขาหลอกกินหัวฟีๆเนไปบอกความงามมองคลไปบาะความดีอาเซวันนาจะพาลนางบัณฑิตานันจะไสวนาไปจนถึงปุทธสาโลกธรรมเมหิจิตังยสนกกรรมปติ เริ่มตั้งแต่ยาคบคนผ่านคนชั่วไปคบแต่คนบัณฑิตคนผู้รู้เป็นมิตรเป็นครูบาอาจารย์เรื่อยเปลือยไปทั้งหมกสามสิบแปดประการนั่นคือมองคลไม่ต้องซื้อพอบาตไม่ต้องให้ใครมาเสริมไม่เสียเงินเสียทองอะไรไป เ, เข้าเสริมเสนเสริมมงคลมันไม่ได้สเสนมันได้แต่สเสนไอ้มองคลก็ไม่ได้ได้แต่อัปมงคลคือความสวยอัปปีจังไรใส่จอ้อหมดเงินหมดทองนี่แหละโทษที่ไม่รู้จักจุฬามณีคือ กรรมมัดกรรมต่อพระพุทธประธรรมประสงค์ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงธรรมะพระพุทธเจ้าว่าสอนว่าสุทธิอสุทธิปจัตางานโดนอย่างวิโซทะเยความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนคนอื่นจะทําให้บริสุทธิ์ด้วยการตัดกรรมตัดเวรให้ไม่ได้เขาตัดเราให้เรามีกรรมใหม่คือเสียเงินเสียทองเราจะต้องตัดกรรมของเราเอาเอง สภาวกรร ม, มขยังปัดโตกระทาให้สิ่นกรรมทั้งปวงกรรมเก่าอยู่ในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจจะขู่ปูรณนะกรรมมังโสตะปุรณนะกรรมมังคานะปุรณนะกรรมมังเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่เกิดแห่งกรรมของการการะทาด้วยเจตนาอันจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทํายังไงจะตัดกรรมโตนี่ก็มีสติจรอที่ผัดสาธิตทั้งสุตังมุตั ง, ต ง, ตงวิญ ญ, ญาณังปรเยสิตังอนุวิชริตังมานสตาตัมปิอุปัฏยิปสามมิ เน่ในเห็นได้ยินได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจไม่ยึดมั่นถือมั่นเพียงสัตว์แต่ว่าได้เห็นได้ยินเท่านั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นอันโตทุกขาตาอันตากิริยาญาวิญญาณังอนุสีตาวิญญาณไม่มีที่อาศัยถึงที่สุดแห่งทุกสัพกรร ม, มะก็ยังปะโต น, นคื อ, อการกระทําให้สิ้นกาม ไม่ใช่ไปจ้างเขาไปซื้อดอกไม้ไปซื้อลูกมาทบแทนไปซื้อลูกประคากับเขาให้เขามาตัดกาตัดเวเนเขาเสริมสัรเนรเสริมมงคลมันไม่ได้สันเนได้แต่สันเนียดไม่ได้มงคลได้แต่ความอับ ป, ปี่สีกระดานความจังไรเสียเงินเสียทองเป่าเป่ า, ปา น, นี่แหละไม่รู้จักมัดจำจุรามณี เป็นความหมายเอาว่ากันไปพระมาลายได้นำดอกไม้ขึ้นไปบูชาพระธาตุเกศแก้วจุลามณีที่ดาวดึงเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลอย่างยิ่งใหญ่แ ก, แก่คนอยากไรคนนั้นปรากฏว่าไปถึงพระอินทร์ดีไก่มากเลยนานๆพระจึงจะมาเยี่ยมสักครั้งหนึ่งบนสวงสวรรค์พระอินทร์และทวยเทพทั้งหลายก็ผ่าตันมาไหว้เพราะปกติดีเทวดาจะต้องไหว้พระ พระสงองค์เจ้าในมีศักดิ์ศรีศักยภาพสูงกว่าเทวดาเพราะท่านมีสินบีธรรมเทวดาบ่าวายังน้มัดสันติเตวิชาสเพปุมาจัคติยาจัตารโรจะปห้าลาชาติทัศาจยาสัตติโนอหันจัสรละัมปันเนจิรัฐทัสมาหิเตสัมมาปะปชิเตวันเทพมจริยามปาราเจเนเทวดาทั้งหลายเหล่าถามผู้บรรจบไตผู้บรรลุไตวิชา ตลอดทั้งกษักตริย์ทั้งหลายทั่วทั้งแว่นแคว้นในภูมีภาคเท้าวจตุโรคกาบานทั้งสมหาราชทั้งสี่ตลอดทั้งถวยเทพในไตรทศผูุ้งเรื่องด้วยยศย่อมกราบย่อมไหวบุคคลผู้มีศินย่อมกราบย่อมไหวบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่ในสมาธิยาวนานย่อมกราบย่อมไหวบุคคลผูบ้บวชแล้วโดยชอบย่อมกราบย่อมไหวบุคคลผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหนะ้า คือจะทําให้บริบูรณ์ด้วยสินสมาธิภาวนาสมาธิปัญญาในวันใดวันหนึ่งในเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้เลยว่าธรมมจริยะปราชญ์เนยพวกเทวดาทั้งหลายย่อมกราบย่อมไหวพระมาลายขึ้นไปเทวดามากราบไหวพระอินมากราบถามพระพูทเป็นเจ้าเป็นบุญของชาวสวรรค์แท้ๆท่านขึ้นมาโปรท่านมาจากไหนแห่งเล่าให้ฟังว่าโอโยมอาตมานี่มาจากโน่นมาลายะชนบทเมืองมันมุกชมพูทวีปโน้น ต้องการขึ้นมาบนสวรรค์ น, นี้เพื่อจะนำดอกไม้ดอกบัวนี่ของคนอยากไรเพื่อเกิดบุญเกิดอุสนแก่เข้ามาบูชาพระธาตุแก้วจุลามณีวันนี้วันพระศุภาคาเทวดาทั้งหลายย่อมมาบูชาที่นี่มากไหมนี่เนกเรากำลังเข้าสู่กันมาลัยเหมือนมาลัยแสนนะ ฮอนพระ อ, อิง ก, ก็บอกว่ามามากมันนิ้มามากเทวดาตั้งไรจะต้องหลังไ้กันมาบูชาพระธาตุแก้วแก้วจุลามณีาหากใครไม่มา ก, ก็เป็นเทวดามิชัาทิฏฐิตายแล้วก็ไปเลยพบพระพบเจ้าตรงนรกป๋อมแปมไปเลยว่าอย่างนี้เออถ้าอย่างนั้น เทวดาซึ่งอยู่บนชั้นดุสิตอันมีนามว่าเทพพระบุตรสีอาริยเมตไกรผู้จะไปตัดตรูนุตระสัมมาสัมโพธิญาณหลังจากสิน้นสาสนาพระสมณะขอดมนี้จะมาบูชาพระธาตุแก่แก้วจุลมณีหรือไม่พรอินก็บอกว่าต้องมาครับมาๆๆถ้าอย่างนั้นวันนี้เป็นโชคดีของเราจะรอคอยพบจะอินเตอร์วิวสัมผัสันหน่อยเป็นอย่างไรเนี่ยไปอย่างนี้ ในขณะที่นั่งคุยกันอยู่นั่นแหละก็เอาดอกไม้ไปบูชาพระธาตุเกแก้วจุลามณีอุทิศส่วนกุศลให้แก่คนจนผู้ยากไร้ที่ทําบุญด้วยดอกบัวนั้นหลังจากนั้นก็นั่งคุยกันอยู่กับพระอินทร์สนทนากันแล้วก็มีเทวดาเทวดาลอยมาในอากาศเลยมีบริวารเป็นร้อยสวยสดงดงามพระวอะไรก็ถามนั่นใช่ไหมคือสีอาริยะเมตไตรเทพบุตร พระอินบอกว่า้ยนั่นน่ะเทวดาชื่อไม่ปากฏยศไม่ลือชาเทวดากระจ อ, อากกระจอกจะไปเรียกว่าเป็นศีอริยเมตไงยังไงโอ้นี่ขนาดนี้ก็ยังว่ากระจอกบริวารเป็นร้อยเห็นไหมนี่หลังไหลมาสวยสดงดงามเครื่องประดับอลังกรแต่ก่อนเขาทำบุญสุนทรหารนอะไร พระ อ, อินบอกว่าเมื่อก่อนเขายังเป็นมนุษย์นั้นเขาได้ทําบุญคือไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกินข้าวไม่หมดแล้วเขาเอาตั้งไว้ในตอกมีจิตใจปารธนาเขาให้ฟุ้งนกฟูงกาได้กินทานข้าวให้แก่กาด้วยจิตใจอันมีศรัทธาปาศรัทธาเหลื่อมไสปารธนามเมตตาปานีที่ดีงามต่อสัตว์ทั้งหลายตายมาได้เป็นเตวันดาบนสวรรค์บริวารเป็นร้อยห้าร้อยนี่เห็นไหมแหมยากอย่าพุทธบริษัททั้งหลายเอ๋ย ถ้าทำบุญให้แกการตั้งไว้ในตอนนั้นได้เป็นเทวดาบริวารมีส0 0 5้0ยห้าร้อยเราทั้งหลายทุกวันนี้ทำบุญคู่มือเนาะทำบุญทุกวันกับพระสงฆกเจ้าย่อมได้บุญมากกว่านั้นแต่ก็ไม่แน่เพราะพระพุทธเจ้ากล่าวว่านัตถิจิตังพสัส น, นำีอปกานามาสทักกีนา เมื่อจิตใจเรื่อมแฝงแล้วบุญนั้นจะชื่อว่าเป็นของน้อยย่อมไม่มีถ้าหากเขาทำด้วยจิตใจเลื่อมใสจริงๆมีเจตนาอย่างนั้นจริงๆมีความภาคภูมิจริงๆมันก็ได้ประโยชน์นะอย่ามองข้ามแต่าหากเรา ท, ท, า ท, ท, ท, าทารําบุญสุนทรทานทําทิ้งทําขว้างท่านบรนบิหลาติยาดหนาบุญเสด็หอมใดคนโบราณพันว่าหมายกว่าทานไปแล้วให้มีใจิตใจเลื่อมใสปีติปลาหมดและลึกถึงบุญถึงบุญสนที่ตนทําก็ชื่นใจเบิกบาน ทราบซึ่งถึงคุณข่าว่าโอ้ยทุกข์ยากบันไดขอดกระไดเห็ดอยู่ดอกมันทุกข์กว่ากระได้เห็ดสมคอยทุกข์กขกจางเนี้ยถ้าทําอย่างนี้ท่านเรียกว่าบุญไม่น้อยบุญไม่น้อยต่อมาก็เทวดามาอีกแล้วบริวารเป็นพันลอยมาในอากาศออ้ยสวยสดงดงามมาในอากาศเลยถามอะไรก็ถามม่านั่นใช่ไหมศสีอริยเมตตาแต่โอ้ยนั่นก็ไม่ใช่ดอกบอกไอ้นั้นน่ะเป็น เทวดาธรรมดาชื่อไม่ปากรยศไม่หรือชาเป็นเทวดากระจกกระจองกองในทางทั้งหลายหลองคิดดูบริวารเป็นพันมาก็ยังบอกว่ากระจอกก็เลยถามว่าเขาทําบุญด้วยอะไรเมื่อเขายังเป็นมนุษย์จึงได้ ม, มาเป็นเทวดามีบริวารเป็นพันอย่างนี้พระอิน์ก็บอกว่าเทวดาที่เป็นหัวหน้าได้มีบริวารเป็นพันเต็มไปด้วยเครื่องประดับอลังการสวยสดงดงามเพชรนินจินดาว่าวาวาัปสวย งามในอากาศและยิประยัะอย่างนี้องค์นี้เมื่อก่อนเป็นมนุษย์นั้นก็ไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายไปกับเพื่อนกับฟงเขากินก้าวกินปลาไม่หมดแทนที่เอาจะทิ้งจะขว่างเขาก็เอาให้เพื่อนกินเอาให้คนทุกคนอยากที่กําลังขาดแคดี โ, อโหอยกินด้วยบุญด้วยกุศลนั้นเขาจึงได้ ม, มาเกิดเป็นเทวดามีบริวารเปนน็นพันพันดังที่ท่านเห็นนี้แหมะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ การทำบุญเพียงแค่นี้ก็มีบริวารเป็นพันเป็นหมื่นท่านสาว ช, ชนทั้งหลายลองคิดดูเถิดพวกเราทำอยู่ทุกวันนี้มันยิ่งไปกว่านั้นน่าจะได้บุญได้กุศลมากกว่านั้นขอยอย่ายมทั้งหลายจงมีปีติปาโมทในการกระทำอีสักพักหนึ่งก็เห็นอีกแล้วเทวดามาอีกแล้วหน่อยหนึ่งนัง่นเทพประมุรพอบมัวริวานหนึ่งหมืนมากข่าไหวจุฬาแก้วเกตมณี อัลวาเทพบระบุตตนุนีเมื่อก่อนมีสถทาถาวายเขาปลาแกสามมาเน่นหน่อยผู้มีสินสิบวดบริบูรณ์บอ่อต่างบริวารแห่ขางเติมใต่หมื่นตนนี่ว่ากันอย่างนี้องค์นี้มาอีกแล้วเทวาดาลังไรมาแต่มีบริวารเป็นหมื่นภาษีนพระมาะไหลก็เลยถามว่าองค์นี้ถ่าจะใช่มืดฟ้ามัวสวรรค์บริวารเป็นหมื่น พระอิงก็บอกว่าโอ้ยอันนี้ก็ยังกระจอกดอกคนนี้ได้ทําบุญตอนที่ยังเป็นมนุษย์แต่ทําบุญให้แก่เนนตักบาให้แก่เนนรย่าโยนเทควันนี่ตักบาให้หอดโตจคุณหอดพระอราชากันนะคกูบาอาจารย์ใหญ่ๆหอยู่ทําไหนเขาไหนปีนตายกันไปไปทําบุญกับท่านเหล่านี้เพื่อเกิดท่านเป็นพระอริยบุคคลจริงๆก็ค ง, ง, งจะได้บุญได้กุศลมากท่นผู้มีสินมีธรรม ยกเว้นแต่ท่านจะไปถูพระอัลลหมุนทั้งหลายอยู่บนภูบนเขาไปหาเงินนะตอนบอกเหล็กบอกห้วอยู่อย่างนั้นก็ไม่แน่แต่ในนี้ที่มีบริวาร1มื่นหนึ่งมื่นฟ้ามัวสวรรค์มาเนี่ยพระมาลัยถามก็บอกว่าคนนี้ไม่ใช่เทวดาองค์นี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าตอนที่เป็นมนุษย์นั้นได้ทาบุญกับสามเณรน้อยๆผู้มีศีลสิบถวนบริบุญบอดตางบริวารแหค่าเต็มไปมื่นต้น มาลายหมื่นมันอยู่อย่างนี้มันก็เลยมาจบแค่หมื่นนั่นแหละถ้ามาลัยแสงก็จบแสนที่นี่ก็เข้ามามีอีกหมื่นฟ้ามวลสวรรค์มาแล้วที่นี้มาอีกสองหมื่นทีเดียวพระมาลัยท่านก็แปลกใจว่าเอเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้าพระศรีอริยเมตไตาสถีตองค์นี้คงจะใช่แน่ๆเพราะมาะมากกว่าเก่าพระอิน์ก็บอกวันนี้มีบริวารสองหมื่นอันนี้ก็ยังไม่ใช่หรอกพระผู้เป็นเจ้าพระ มาอะไรถ้าก็อยากรู้แล้วก็ต้องถามซอบแซกเรื่องนั้น <c oughs> เมื่อองค์นี้ไม่ใช่แล้ว <c oughs> ก็อยากจะรู้ว่าองค์นี้มีบริวารมากสักขนาดไหนอัตมานับไปถั่วนมันามากมากายกองเลเกินพระอินทร์ก็บอกว่าพวกนี้มีบริวารสองหมืนแล้วก็ถามต่อไปว่าท่านผู้นี้เมื่อตอนเป็นมนุษย์ดีทำบุญสุดธทลราฐานอะไรพระอินทร์ก็ตอกว่า เมื่อก่อนนั้นเขาได้ทําบุญตักบาตรมีสัตธาถวายข้าวปลาอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์โดยใจเขารบเอื้อเฟือเมื่อจากนั้นเมื่อตายไปแล้วก็ได้มาเกิดเป็นเทวดามีบริวารแห่แหนห้อมล้อมสองหมื่นครับว่าอย่างนี้เทพบุตรตนีบเมื่อก่อนมีสัตธาตุวายข้าวปลาแกองค์ภิกขุเจ้าขันว่ามอละนาแลวอานิสงหยุ่งสงสองหมื่นหอมระว่างล้อมแห่แหน ตีว่ากันอย่างนี้บริวารตั้งสองหมื่นต่อมาก็มาอีกเอาสามหมื่นพูดกันให้มันเร็วๆให้มันสิ้นเรื่องสิลาไปสามหมื่นนี่ก็ไม่ใช่บอกว่าคนดีมีบริวารสามหมื่น 30, นี่ก็ยังไม่ใช่คนนี่เป็นเพียงเป็นคนที่เที่ยวช่วยบอกคนอื่นเป็นคนขายหูกทาหูกทาไหมเข็นฝ่ายขายหลังจากนั้นก็เลยมาทําบุญสุ้นทรภารนมาทําพวก เผาศพคนทุกค น, กคนยากทุกขมดอนณาทาสินทานทำรรม่มนมวนมีถวนบริวารหล่อมระว่างเลี่ยนตามมือนส้มเสรอนด้วยมีเสาโาาางาว่าอย่างนี้คนนี้เป็นคนทำโหกทำอะไรต่ออะไรขายเข้นฝ่าย้า ย, า ย, ายทำต่อกูุทำฟืมนขายหลังจากนั้นก่อทำบุญซุนธรรธานเผาศพคนทุกยากไม่มีพี่มีน้องนี่พวกเราก็เคยทำ ศพไม่มีญาติเราก็ได้ทําบุญกันอีกสักพักเนึ่งก็เห็นบริวารมาอีกแล้วเทวันดาผมน้องบริวารทั้งสี่หมื่นก็ถามว่านี่ก็ไม่ใช่คนนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นเศรษฐีอยู่ในฮา ล, ลิตาคามเด็กกอบุญซึนโตระทานสร้างสินห้าอูโบสถข่ำเพียรรักษาให้ทานข้าวนา้าอาหารพร้อมแก่พระสงฆ์คนนี้คือเพียงสินห้านะแต่ทําบุญไม่ขาดเขาเป็นเศรษฐีเพราะว่าเป็นเศรษฐี หักจาสินหาอุโบสถเพี้ยนผ่มท่านเขาหนาบอาหารผ่มแก่สงกันวดับขันเมียดมรณาลดส่วสี่หมือนออกบริว่านล่อมออกโตวาสันคนนี้ก็ยังไม่ใช่อีกน้อยก็มาอีกแล้วทีนี้เยอะกว่าเก่าห้า0มืนลังไหลเข้ามาไหว้พระหาเกแก่แกจุลามันนี้ก็ถามอันนี้ใช่หรือไม่ภาษีอริยเมตไตเรเตมบนนี่บอกอย่างไม่ใช่ เป็นคนธรรมดาเป็นเทวดากระจอกกระจอกธรรมดาชื่อไม่ปากฏจดไม่ลือชาอันวเทพประบุตธตนีเมื่อก่อนเป็นพญาสาัทธาทิอไก่เกียดติกองร่างกายกว่างพระองค์กองเป็นเอกอนุภาพแพร่กว่างข้นหูทั่วแดนพระองค์ถือสั์มันบำเพ็ญเพียรพำมสินอุโบสถกินท่านหู่เสาบ่มีเว้นอูยามอันวดดับขันเหมียนเมื่อแม่นบอนรู เมืองแมนบอยูหาหมื่นหล่อมบริวารหอมแวดว่างบระสันคนนี้เมื่อก่อนเป็นพระเจ้าแห่นดินแต่สร้างแต่คุณงามความดีรักษาศีลอุโบสถไปด้วยก็เลยมีบริวารตั้งข้าหมื่เมื่อถึงสวรรคตแล้วอีกสักพักหนึ่งก็เห็นเทวดามาอีกเลยทีนี้มากกว่าเก่าบริวารหกหมื่น 60, คนนี้ก็ยังไม่ใช่บอกว่าอันวนเทปประมุขผู้นี้เมื่อก่อนเป็นพญาอาภัยหยดกระเดิงดินคุ้มฝ่าสท่ากวงถําท่านแจกแบง่ง เข้าพบแก้วสามเจ้านอพ่อรัตนะไรเขารบอย่างสุดซึ้งกับทั้งใดก่อสัางพระสถูปเจดีท่านเขียนหลพระพุทธองค์ทาวายไหวยินดีให้ท่าท่านคนขมอดปลูกต้นไม้พ่อแก้ว่อดท่านคันวันดับคันแล้วบริวารหกมือน 60, แหนแห่เจ้าค่อยเฝ้งงากู่ย่ามพ่อยญ่เอย เป็นระว่าคนนี้เมื่อก่อนนั้นเทวดาวองค์นี้มีบริวารหกหมื่น 60, เดนี้นั้นเมื่อก่อนเป็นพระราชามหากษัตริย์ทําบุญสุนทรท า, านปูกต้นโอหลังจากนั้นทําบุญสุนทรท า, านเคาลพปรตนาไตถวายทานเมค า, าช่วยคนทุกคนอย่าปลูกต้นไม้สีบาราโพเป็นประจำเนี่ยเมื่อเราปูกที่วัดของอาดมาปีที่แล้วแม่มีคนมาปูกกันหลายร้อยคนเจ็ดแปดร้อยคนตัวตาลทิศเอามาจากประเทศอินเดียพุทธกยา นั่นก็คงจะเป็นบุญไม่น้อยลนะหากแตเป็นดังกล่าวนี้เป็นอันว่าเราทั้งหลายก็คงจะได้บุญได้กุศลเราก็ได้ปูโภพุธคยาแม้อุตสาเอาข้ามฟ้าข้ามทะเลมาอีกสักพักหนึ่งก็พบเทวดาอีกแล้วบริวารเจ็ดหมื่นอันนี้ก็ยังไม่ใช่ปัศีอริยเมตไตรชื่อใหม่ปากนจดไม่ลือชาเป็นเทวดาการจอกว่านี้พระมาลายก็ถามว่าเมื่อก่อนเขาทําบุญสุนทรท า, านอะไรพระอินบว่าอันวเทพประพุทตตนีเมื่อก่อนเป็นเน่หมีสิ้นทํำสังห้อมดีรวด ปฏิบัติเจ้าพิคุสงบอประมาดนับสาแล้วในห่องแห่งสวรรค์บริวารผ่อมมวนมีเจ็ดหมืนส้มเซินเฝสาขัวสายแกวงวิ่ถ้าหากเป็นไปได้จริงๆอาตมานี่เคยเป็นเนนน้อยปนิบัติพระสิบสองรูปเป็นเนนคนเดียววุยไม่ได้หยุดได้ยอนพระท่านกระเคี้ยวเต็มมากล้างกระทนอยู่ทั้งวันทั้งปีทั้งชาติแม้ถ้าเป็นได้จริงๆเหมือนดังเนนคนนี้ก็คงจะมีบริวารมากเป็นเจ็ดหมื่นนุ่นดังว่านั้นแต่อาตมาไม่ ปาถนามากกี่หมื่นกี่แสนไม่ปาฏนามันดังนั้นเนียเกิดมามันก็ตายเป็นเทวดากอบมลณภาพเหมือนกันได้เป็นไปได้ที่สุดไม่เกิดดีที่สุดเลยพระพุทธเจ้าบอกว่านัทธิชาติปุณปพูนังทุกขังชาติปุณปพูนังเกิดทีไรเป็นทุกข์ลําไปจะได้แบบเกิดมันอีกเลยถ้าคิดอย่างนี้เลยก็รีบสั่งวุณงามความดีธรรมมาที่ภาวนามีสติสัมปชัญญะ รู้เท่าทันอัตวาทุปาทานความเกิดขึ้นยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนไม่ให้วิญญาณมีที่อาศัยในการเกิดเป็นกูเป็นเขาเป็นเราเป็นสูเป็นมึงเป็นอ้วเป็นลืถ้ามันไม่ให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องเป็นเทวดาลง ว, ลงวดาแต่ท่านปาธนาก็จงทำเทิด บุญนี้ไม่สูญหายไปไหนอยากจมทั้งหลายเอ๋ยเมื่อวิญญาณยังมีที่อาศัยอยู่กับบุญมันก็ไปสู่คุณงามความดีทางบนวิญญาณอาศัยบาปมันก็ไปกับบาปกับความชั่วก็ตกทุกข์ในยากลําบากลาบนนรกบอกไม่ไปอย่างนั้นเอาว่าก right. ันไปผ่านพ้นไปแล้วกี่หมื่นเจ็ดหมื่นแล้วนะเจ็ดหมื่นที่นี่ก็ไปพบอีกแล้วเทวรรดามาอีกบริวารแปดหมืนมากมายกายกองคิดว่าจะชายประสีอริยเมตไตรก็บอกว่าบรมนซุเม็ได้ เทพบุตรตนี่เมื่อก่อนสังกาลีเป็นสังการีบานเฮาว่าสั ง, าาาาสงากาลีภาษาเตมวสังกาลีผู้ทํากิจของสงเทพบุตรตนี่แต่ก่อนเป็นสังกะรีอุปถาคสง์มันเพียนบ่มีขานย่ามสงเขาโคจรบินทบาทเอิญบอกให้เจ้าบ่านอทอดท่าน ขันวาจุตีแล้วเมืองแม่นเทาวาโลกแปดมื่นพร้อมบริว่านหรอมแหแหนเป็นสังกะลีถือปิ่นโตยางไปพร้อมเอินบอกไทยบ้านเน่ยคูมาบินทบาลแล้วเด้อเออฟากันใส่บาทใส่พกเด้อ บางทีกับพระแขกพระคนมาวัดมากมากกับไปเอื้นเหมือนกับคนพระเนนที่มาอยู่ในวัดของอาตมาเนี่บางทีมา ก, กันเป็นสิบยี่สิบสามทีมาจากตานถิ่นอย่างนี้ถ้ามีใครคนหนึ่งไปเที่ยวบอกเลยว่าเป็นสังฆาลีโอ้ยอย่างคู่มาหลายเดีวัดเท่าแท้กันลงวัดลงวานี่เดอ้อเอาบุญเอาท่านนำเพิ่นเพิ่นมาฝึกมาหัดอย่างนี้แหละนี่ว่ามีบริวารแปดหมืนที่เล่าไว้ในเรื่องมาลายเหมือนมาลายแซ่ บอาว่าอุปถากสงมันเพี้ยนมีขานย่มสงเขาข้อยนบินธบาตเอื่นบอกให้เจ้าบัตรทอดท่านขันวจุติเแล้วเมืองแม่นเทพวันโลกแปดหมื่นผอมบริวารผอมแห่แหนนี่เป็นอย่างนี้ก้าผ่านไปที่นี่ก็เข้ามาสู่เทวดาเทพบุตรมีบริวารเก้าหมืนคึกคืนเลยเต็มมุ้งมาหมดเลยที่นี่เข้ามาไหวพระธาตุเจดแกวจุญลมามในธรามอันนี้กับบแมนอีกแล้วพมาไลป่ปอกอันนี้ไม่ใช่ สีอาลิยเมตัยเทปปะบุตร น, นีิเมื่อก่อนเทิงนั่นประโยชน์ต้นทานถรมบ่มีขานมือมือหนึ่งมือนึงมือบายได้กันในกาดวงดอกกํานึงไหวบูชาแกวเกตมณีขั้นบาจุตีแล้วดาวดึงบนยูเก่าเมืองฝ่อบริวานเจ้าแห่แห่เอาดอกไม้บูชาพระธาตุเกแกวจุลมณีเอาอีกทีนี้มีบริวานมาอีกแล้วสัตว์เข้าไปสิบเมืองสิบเมือมันก็คือแสนนั่นแหละ แต่ก็ยังไม่ใช่สีอาริยเมตไตรทาไเปตามาบาว่าอันวเทพประมุตโตน่เมื่อก่อนทาลิทวทลิทวไปวา่าถูกงาให้พอไงเป็่ไงไรเป็นคนจนเชียวขายย่างหยาเน่าในห้องอนุราช ท, ทับุรีเมืองไงขายหยายได้มาเหลียกสิบตนมือหนึ่งเลาะเหลียมตาย ต, ายตีนฟังหน้าที่เคินใส้เข่าง่ามดังเดิมเรื่องไหวเขาก็เอามือตอดใส่เข่าใน่ขาดกองกอไหวเจดียให้ไงสูง แล้วจึงปักลักไหวกองไส้ใหญ่ๆถึงจอมท่องทีิวประดับแผ่นแผลงามเอสูอันแล้วจึงวั่นท่านนอนไตทว่าหนบหนอบข้อมลบแกวสามเจ้านอพกอกับทั้งอุปถาเจ้า พ, พิโคมูส่งสินกินท่านทำพมสินมีพร้อมขั้นมาจุติแล้วเมืองแม่เทพโลกสิบหมื่นเจ้าเทว่าฝกเฮแห่นโบงง่ายบานทวัดตบปะทายตบ ป, ะ ท, ตบปะทายเอากิดินไส้มากกองเห็ดเป็น พวกธาตุเลวะธาตุเจดีสมมติว่าเป็นธาตุเกตแก้วจุลามณีเอาทองมาปักบานเท่าเผด็ศเหลืออยู่ดอกตบปฐายหนะย่ำเดือนหาย่ำเดือนหาในวันตรงกาลตบปฐายเอาขี้ดินทรายมากองกองขึ้นปักทองนหน่อยๆเป็นแถวพากันกราบกันไหวดอกใหม่บูชาสมมติเป็นประธาตุเกตแก้วจุลามณีคนคนนี้ก็ได้ทําดังนี้พร้อมนังอุปทาภิสุสงองค์กษามเณีเมื่อตายแล้วก็เลยมีบ่อนิวรันเป็นหมื่น นี่เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็เอาแลเส็จทีนี้พระศีอาริยะเมตไตรเทวบุตรมาแล้วมีบริวารมากมายกายกองเมิดฟ้ามวลสวรรค์มาเลยทีนี้ยไม่รู้เท่าไรพระอิง ก, ก็บอกว่า น, นั่นนั่นนั่นน่นนะั่นะคือศีอาริยะเมตไตรทีเดียวกําลังเข้ามาสู่ที่นี่ก็เลยเป็นโอกาสดีโอกาสดีของใคร เป็นโอกาสดีของพระมาลัยก็เลยได้เข้าไปถามไปไทยโอ้โยมนี่ใช่ไหมที่เป็นพระศรีอริยะเมตไตรเทวบุตรที่จะไปตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมโพุิญานในสมัยเมื่อสิ้นศาสนาพระสมมาครดมไปแล้วศีอริยะเมตไตรก็บอกกับผมนี้แหละคือศีอริยะเมตไตรเทพบุตรพระผู้เป็นเจ้ามาจากไหนโอ้นี่เป็นโชคดีของอาตมามาจากชมพูทวีปเมืองมนุษย์โ น, น้น เออนี่อยากจะถามโยมสดหน่อยในศาสนาของโยมนี่มันดียังไงและจะต้องทาบุญสุนทลทานอย่างไรจึงจะได้กเกิดพันโลกภาษีอ่านคนอยู่ในเมืองมนุษย์ทาบุญำตำทานบานหนึ่งเสลิงเดียวสาทุท้ารขอ้อ้ภูขาพอพอะเห็นหนาพระเมตไตรศาสนาของเจ้ามันดียังไนก็เลยถามอย่างนี้ ภาษีเรียมัยไตเทพบุตรก็บอกว่าอันปราสาตนาภาษีอันนั่นมีตั้งเตะซุขีบะฮอนมีสาตนาใดเปรียบปุ่นปันใดอันฝนตกหงไหลลงเปียกสุมซิบขาหมือฝนติดเถงเล็งลงย่าเมื่อฝนตกนั่นกับตกแต่กลางคืนบอลตกกลางเว้นเปียกขําห้วย ห, หนามดพึกษาเสียเ่ยวเขี้่งงามอ้วนอ่นอนไข่ากาบอ่าหอมปุ่มอยู่เลิก บ้านบบไก่โบไก่พ่อไก่บินถึงงัวคกล้วยฟุง้กกองอยู่กินหย่างหยาผ้ากันลงกินนามในน้องบึงบวกสั่งและหมากินยหยาห่วมกันบัวพิษกันบอย่านกันมากับสัง่งกินน้ำกันเป็นโม่บะมี่จนปูหายหลักหลอบเอาของหมอ้วยป้าปล่อยไล่บะมีเลี้ยงโอ้ตะกังนามบึงบางสะพั่งบวกเต็มอ่างล้นตะเมอดำขอบผู้น้ำเปียมฝั่งตลอดกัน อันล้วคนแก่เถ่าขีพญาณาโลคาา่าสตนาของป ศ, ศีอานหักบ่บีพ่อดีมีแต่เบาวศร้าจ่อยสวยงามปานเสียนคือจังหลอดแต่ฝ่าสวรรค์แต้มแต่งล่มอันวลาชาเจ้าปกงข้องพวยหลาดมหอนอันานาจกะคมเพงขามูข้นมีแต่ปกป้องทัศราตข้อมเมืองถือสินทำเทียงจริงจำมันบ่บีพิดบงังเฉาะโกงกินกรำเกอบข้อรับฉันเมืองนั่นบ่มีพอใญายมย่ลย อัลวา ก, กากับนกเข่าเคยบ่เถื่กวนกันนู ก, กับแมวคูเวนมีเวน่นจนฟ่อนหน่อยกับงูบังเบียดเสื้อแลเหนือศัตรูเขา่าเกาหลังกับ่ามีคัดของตอไลกุมกันก็มีปาหนี่ต่อกันขี่ข่อยศัตรูดั่งเดิมมาแต่เปลี่ยนซ้อมสู้ก่านนอนกิ่งปลอมสาหายจะเป็นอย่างนี้ อัลวะคนในโลกขื่นลุ่มศ้าส้มผูหน้าสวนป้าปลอยไล่ล่าเท็มว่ามีการ้ายขาหาทุนมุนเปลี่ยนหกักบองเกี่ยวของสบายเหนือสู่กคนหย่อนว่าได้อาไซต์ตนการละประพฤติเทว่าทั้งผู้สาแพนเพ่พัผนผาเงินคำแกวค่อยนิ่งลำคาพิสโพทพร้อมลหลายลวดเกิด น, น้ำผู้ไอจะเป็นดีนอกพอไงไม่ไง ฝนตกตั้งแต่กลางคืนสิบห้าวันตกครั้งหนึ่งแผ่นดินนีชุ่มชื้นแต่ถึงไม่เป็นตมเป็นคนแล้วก็ไม่มีฝุ่นละอองให้เป็นวัดเป็นไอจามฮัดเชยอย่างนี้เพราะดินมันชื้นชุ่มอยู่ด้วยฝนสิบห้าวันตกครั้งหนึ่งออนสี่แห่งผัดตกมาใส่ตกกระตกแต่กลางคืนบอลตกกลางเว้นเปียกค่อมห้หวยหนาปรึกซาเสี่ยวเขี้ยวงามอ่อนอ่อนไข่กับอาหอมกุ้มอยู่หูงามไปในห้อง แม่น้ำเต็มเปี่ยมฝั่งตลอดการสะพังน้องบึงบกเต็มอยู่เลยเสมอดามขอบคู่น้ำห่วยหนึ่งเต็มฝั่งนกตาไม่ต้องกล่มลงกินให้ปวดคอและยังแบ่งกันไหลไห ล, ลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงกลางหนึ่งจะไปเนื้อหล่องอตไตคัดเข่ารันเวเหมือนถนนซุเปอร์ไฮเวกกรุงเทพไหลขึ้นเองลงเองบนเดชพายได้จำได้ตอปวดแขนปวดคอปวดมือปวดขาจบายนี่คือโลกภาษีอัด นอกจากนั้นศัตรูก็เวนกากับนกเขางูเห่ากับพังพอนไม่ทะเลาะเบาแวงแมวกับนูนอนหยอกกันเล่นเป็นเสี่ยวกันสบายสบายแหมมันดีปานนี้แล้วก็ยังมีต้นกัละลาพุกพิเศษขึ้นสีมุมเมืองไทยยากแคได้อะไรโคกกับบากซากกะเบือพิเกือเกอปลาลาเสื้อผ้ามวกรองเท้ากางเกงรถเก๋งมอเตอร์ไซค์ยาม้าฮอนด้าซูซูกิพัสเตอร์แซบโตโยต้าโอ้ยอธิษฐานออกดอกมกงลอกมาลด มันดีป่า น, นี้เหตุจังไดที่เกิดท่านสาตนาของเจ้าศรีอริยเมตไตรบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าจงไปบอกกับโมหมวดมนุษย์สโลกนูน้นแต่ใครปาดิหารยาจะเกิดทั้งโลกเพราะศรีอานจงทำบุญสุนทรทานให้ทานฟังทาจำสินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องเป็นผู้มีสินห้าหบริสุทธิ์หลังจากนั้นฟังธรรมประเวทสันดรให้ครบสิบสามกันในวันเด่นและจะเกิดทันโลกภาษีอ่านเป็นแน่แท้ไม่แปรผันจะเป็นไหนมาไหนก็จะต้องพบถะหากมีสินห้าบริสุทธิ์ฟังธรรมประเวทสันดอนให้ครบสิบสามกันดังว่าแล้วแน่จากวันดันมาพระมาไลาลงมาเมืองมนุษย์ก็เลยได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคนก็นเลยเตะทำบุญการาเรื่อง โลกภาษีอานเรื่องการทำบุญในเรื่องพระเวสสันดร น, นี่เริ่มต้นที่ประเทศสีลังกาแห ล, ละแล้วก็ต่อมาทั้งพมา่ามาประเทศไทยประเทศลาวของเราหนีเราได้อบุญพระเวสสันดรนั่นพ่อเหตุนี่อยากจะเกิดทันโลกภาษีอันพูดถึงตรงนี้ก็ขอหยุดวิจารเป็นปริทัศน์ต่อโลกภาษีอานสักหน่อยผ่านโลกภาษีอานนโยมเนาะอาดามาอยากจะบอกให้ทราบ สีอาริยเมตไตรถ้าจะทำความเข้าใจกับอักษรกับภาษากับความหมายของ ค, คาพูดก็คงจะพอเข้าใจได้สีไปว่าความสวยงามรุ่งเรืองจเจริญอาริยสีไปว่าความสวยงามอาริยไปว่าความรุ่งเรืองจเจริญเมตไตรยะหรือว่าเมตตานี่ น, นะแปลว่ามิตรภาพและเมตตาธรรม สีอารยะเมตไกรไปว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมท่านหลายลองคิดดู ถ้าหากเรามีมเมตตาทำเนี่ยบ้านนี้เมืองนี้จะมีคนรักศกจกหอกันไหมจะมีศัตรูคู่เว้นกันไหมมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสโลภสีอานบอกว่าลงจากบ้านจากเรือนและจํากันไม่ได้มันสวยสดกดงามด้วยกันดั้งนั้นจะไม่สวยอย่างไรเพราะคนมีแต่รอยยิ้มคนมีแต่ควา ม, มเมตตาปานนี้ท่าลองคิดดูถ้ามีสินายบริสุทธ บ้านเราเมืองเรามีสินห้าบริสุทธิ์นอนไม่ต้องใสประตูเรือนไม่ต้องลงก้อนก็ได้ไม่มีใครโจรขามอยไว้ใจกันได้ผัวเมียไปไหนมาไหนสบายใจไม่มีการนอกอกนอกใจไม่มีการเข้นข้าไม่มีการมอมเมาตนเองไม่โกหกพกลมไม่ต้องทาสัญญาไม่ต้องมาเซ็นพยจงพยานหลักฐานยืมเงินยืมทองกันก็ไม่อยากไม่ต้องยืมซ้ํา ใครไม่มีใครขาดแคลนความเมตตาป่านนี้มันจ้องที่จะช่วยเลือเจอจุนจ่องที่จะสงเคาะเจ้าบ่มีเอาของใครไปก่อนพ่อให่เอ๋ยพ่อลุงเอ๋ยพอ่ออุ้ยเอ๋ยไว้เจ้าบ่มีเอาของใครไปก่อน ม, มันเป็นว่าหาบาทไปสิบบาทมาด น, นายทำสัญญาให้ดีๆมีสักขานพยานเรียบรอย้อยป่านนั้นก็ยังโกงกันน า, นายแบบแกเขาทำอย่างนี้ไม่เอาโลเปซีอ่านไม่มีอย่างนี้จึงบอกว่าไม่มีโจรมีขา้ามวยโม่ข่วยป้าปล่อยไล่บ่มีบ่มีเลี่ยง บ่มีกรรโจนขโมยเลยป ล, ยปล่อยปะละเลยไปก็ได้แล้วก็ไม่มีศัตรูคู่เวงกันหนูกับกากับนอกเขาเขากับพังพอนอะไรต่างๆบ่มีพัดของต่อนไล่กุมกันเขาก็มีปานีต่ตอกันขี่หอยศัตรูดั่งเดิมมาแต่เปลี่ยนสมสูกว่านอนเก่งกอมสหายปานเสียวงัวควาย อยู่ด้วยกันเสื้อแม่ลูกอ่อนนอนให้ลวูก ง, งัวกินนมสบายสบายหักกันแพงกันนี่คือความหมายคนมีสินมีธรรมมีสินห้าให้บริสุทธ์ฟังธรรมประเวศสันดอนในครบสิบสามกันเหมือนวันนี้ให้รู้จักหัวใจประเวศสันดอนฮัทยังเท ย, ยังจากคุ้งมังซั่งปีรุทีลังปีจัตทะพายังกายยังสั่งเวทวาญยาิ่งโกยิ่จะเ ย, ยมามังกใจะมาขอดวงตาขอหวัวใจเลือดเนื้อ วิญญาณเนื้อหนังมังสังเราให้ทั้งนานจนเป็นดินหวาดวันไว้เราฟังแล้วไม่ต้องคำถึงันาพระเวทสันดอนอย่างน้อยสัก5าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ ไม่เอารัดเอาเปียกกฎขีด ค, คมเพงกันคิดเขาก็จิตคิดดูเราเราก็ใจปูอื่นใหญ่หรือจะสู้ปูไม่ตีให้อภัยกันได้ยอมกันได้อยู่กันฉันพี่ฉันน้องถ้าอย่างนี้ไม่ต้องถึงกับให้ดวงตายหัวใจเหมือนพระเพัน ด, ดนโลกภาษีอ่านก็จะเกิดขึ้นเหมือนพระเยซูพูดกับชาวบ้านที่ท่านสอนบ่า The Kingdom of God อินเอาเออเภาษาฝรั่งว่าอย่างนี้อาณาจักรองพระเจ้าอยู่ในมือของเราแลว้วอจาจจะมาอยากจะบอกจบว่าอาณาจักระาษีอานไม่ต้องรอตายเน่าเข้าลงอยู่นในมือของเราแลว้วถ้าหากเรามีศีลหน้าให้บริสุทธิ์แล้วก็มีความเมตตาปานีในจิตในใจจ้องที่จะช่วยเหลือเจือจุนไม่จ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบเหยียบย่าทํำลายซึ่งกันและกันอิจฉาตาล้อให้มีจิตใจเมตตาปาณีต่อกันมันจะเกิดต้นละกันละประพฤกขึ้นมาไม่ต้องพูดถึง สี่มุมเมืองประเทศไทยมีห้าสิบสองล้านคนก็มีห้าสิบสองต้นกันละปะพฤกษ์ใครไม่มีก็ช่วยเหลือเชือจุนกันไปไม่ต้องไปไหนมาไหนโคกระบากสากาเมือพริกเขือเขื อ, อปลาลปูกต้นไม่ตีต้นไมต่ ต, มตีต้นหักต้นแพงมอบให้แก่กันแหลกกันอย่างอาตมาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่พระกูวิสุทธิยานนสนทร อ, อยู่กรุงเทพนุวัดปัตพนมวนาลาม ท่านไม่เคยมาเห็นวัดนี้แต่ท่านรู้จักอาตมาอยู่กันด้วยความแรงแทนผานเนนอดยากลําบากท่านทรงปากกาป้องมาทรงอาหารแห่งมาทรงผ้าซาบงจีวรนมาอวยพระทั้งวัดก็ได้ต้นไม้กัลปพฤกต้นนี้และต้นวิสุทธิยาณนะสุนทรที่วัดปฐมนี่ส่งมาแล้วก็มีอีกหลายท่านและทีเดียวพระมหาวิชาที่วัดไต้มิตนอกจากนั้นก็อยิโยมทางจังหวัด อย่างนี้คุณโยมเฮียงศึกษาที่การอะไรต่างๆพันปวาราชการจังหวัด่านไม่ได้มากกาฝากมาสซมาอย่างนี้แหละคือต้นไม้กัละปะพฤกเกิดขึ้นแล้วในจิตในใจต้นเมตตาต้นไมตรีต้นรักต้นแพงต้นสามัคสามัญซึ่งกัอะไรกัน จะเอาอะไรมาดียิ่งไปกว่านี้แผ่นดินก็เรียบราเป็นหน้ากองคำว่าแผ่นดินเรียบเป็นหน้ากองในโลกภระสิอนนั่นหมายถึงแผ่นดินโลกขัสนิวาทโลกแห่งจิตแห่งใจ ความเป็นอยู่ราบเรียบไม่กระทบกระทั่งกันแม่น้ําเต็มเปี่ยมฝั่งตลอดการหมายถึงน้ําใจล้นเ อ, อ่อไปสู่กันและกันคือความเมตตาปาณีล้นออกจากจิตใจนอกจากนั้นยังแบ่งกันไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งดังนี้หมายความว่าจิตใจคนไม่โลภ ได้ขนาดไหนก็พอใจขนาดนั้นสั้นตุ้ดทีประมังทันหนังความรู้จักพอใจเป็นรับอันประเสริฐดีมาและซับพายอิสอีควน คือสิ่งที่ได้มาและความปาาถนามันพอดีกันเดี๋ยวนี้เรามีเงินกันสิบล้านไม่พอร้อยล้านไม่พอพันล้านหมืห่นล้านขายายอิทธิพลอำนาจอภิสิทธิอิทธิพลโอกาสวาา่าธนาแย่งกันกินแย่งพินกันอยู่แข่งกู้กันพิศวาสแย่งอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตมันก็เลยเข้นข่ากันมีเงินหมื่นล้านพันลา้านไปไหนต้องจ่างมือปืนแห่เป็นกระโยงกระโยงกลัวเขาจะฆ่าจะแกงทั้งหมดมันคือมันไม่มีความพอดีหัวใจไม่มี การลิลิสไม่มีการระ บ, บายออกได้เท่าไรไม่พอถมเท่าไรไม่รู้จากเตมเหมือนเขาร้องเพลงมันต้องไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งเหมือนน้ำในโลกภาษีอ่านนั่นหมายถึงน้ำใจ ได้แค่นี้พอใจแค่นี้แล้วยังระบายออกไปสู่ชุมชนสู่มวลชนชูเพื่อนรวมทุกเกิดแก่เจ็บตายกินคนเดียวมันไม่อร่อยพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลผู้กอบโกยไว้กินเพียงคนเดียวย่อมไม่พบกับความอร่อยคือต้องกินด้วยความยากลําบากคิ้วหอยเลยยังหึงหวงกลัวเขาจะมาแจ้งไปกลัวจะล้มละลายตายจากไปต้องจ้างมือปืนแหเป็นกระจงยังไม่พอยังถูกเขายิงตายวางระเบิดตายกันเป็นแถวอย่างนี้เรียกว่าตกนารกติดเอด เป็นอสุรกายติดแออสุรกายไปแบบหวาดกลัว อะไปว่าใหม่สุรกาหันใหม่กาหันอสุรกายโยมูเราที่ใหม่กาหันกี่ขาดว่าลกลัวไปไหนจางมือปืนแหเป็นกยโยงมีเงินมีทองนั่งห้องแอร์นั่งรถเก๋งติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์จิตใจเล่าร้อนมนุษย์นิรโยะตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นมานุษย์อย่างนี้ก็เรียกว่าตกนาลกติดแอร์เจ็นทำแต่จิตใจมันเล่าร้อนเหมือนไฟเผาเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นหึงหวงอิจฉาตาลอดหวย สารพัดนอกจากนั้นยังเป็นดีรชานติดแอติรชาโนไปบอกขวางมนุสติรชาโนเป็นคนขวางบานขวางเมืองความเจริญขวางต่อความถูกความต้องในสินในธรรมมรผลนิพพานอุยสารพัดเพราะเหตุ น, นั้นเอง โลกภาษีอ่านจะไม่มีคนชนิดนี้เพราะเหตุแห่งความมีสินมีธรรมมีเมตตาปานีมีสินหายบริสุทธ์ท่นันสารทุชนไม่ต้องรอตายเน่าเข้าลงไปก่อนเถิดถ้าเราต้องการจะให้โลกภาษีอ่านเกิดขึ้นก็จงมีสินหายบริสุทธิ์ในแผ่นดินของเราบ้านเราเมืองเราในตำบลเราหมู่บ้านเราหลังจากนั้นก็มีเมตตาปาณีนู่นก็พี่นี่ก็น้องปุ่นบ้านพี่นี่บ้านหนอกปองดองหักแกนทุกหักแขนว่านเอิญซอยกันเข้าเป็นปีหนอก บ้านหนึ่งเมืองเดียวกันแง่าขาดเคิรนเจ็เป็นเพิงผ้ากันใดดแง่เม่าหมอนและนั่งหวยโฮมกันเมียบขาดสงสุยซุ้มจุดเพะาะสการหิ่งทรงถึงคือคนโบราณท่านผดเอาไว้ยอยู่กันอย่างนี้มันก็นโลกาสีอลดีดีสีไปบอกความสวยงามอารยะไปบอกความรุ่งเรืองจำเริญเมตยะไปบอกมมตภาพอันยิ่งใหญ่และเมตตาธรรมอันยิ่งใหญ่สีอาริยะเมตตา แปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญนด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและ เมตตาทำไม่ต้องรอตายเน่าเขาลงทําให้มันเกิดให้มีขึ้นในจิตในใจว่ากันว่าในโลกภาษีอันนั้นยังมีอีกมีพระอริยะเจ้ามากกว่าร้อยกว่าพันกว่าหมื่นพวกเราไม่พูดถึงในเรื่องมาลายหมื่นมาลายแสนกับพูดแต่เรื่องเทวดาสิบสองตอนดีบมีบริวารเท่านั้นแหละกับพูดถึงโลกภาษีอนันเจริญอย่างนี้มี แผ่นดินเรียบราเป็นหน้ากองมีต้นไม้กัน่าพฤกษสีมุมเมืองไม่มีศัตรูขู่เวน้นซึ่งกันอะไกันไม่มีขระโจรขโมยและก็ไม่พูดต่อไปว่าในเมืองของโลกภาษีอานั่นมีพระอรียเจ้าเป็นจำนวนมากกว่าสมัยใดที่สุดพูดตามหลักพระไตรปิฎกแห่งจกักรวติสูตรทีขณิกายปฏิกวักพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดที่สอง เราจะหาได้ไม่ยากหนักในสูตรนี้และมีเขาคงเรื่องของพระศรีอาริยเมตไตาได้เกิดขึ้นแต่ถ้าหาใครคิดว่าเรื่องพระเวทสันดอนไม่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องถี่แต่งกันขึ้นมาเมฆกันขึ้นมานั่นก็ควรจะได้เข้าใจต่อไปว่าเรื่องของพระศรีอาน์พระศรีอาริยเมตไตานนี้ก็คงจะเป็นต้องเรื่องเมฆขึ้นมาแต่งขึ้นมาแต่ความจริงมันมีหลักฐานในชั้นพระบาลีในพระไตรปิฎกจักกวัตติสูตุทีขณิกาปฏิกวัตพระไตรปิฎกเล่มที่ สิบเอ็ดที่พูดไว้เรื่องพระเจ้าแผ่นดินชื่เป็นพระจาจากักรพรรดิเกิดขึ้นมาสูตรนี้มันยาวเพราะเป็นเรื่องของทีคนิกายในตอน ท, ท้ายของสูตรนี้มีเข้าของเรื่องของพระศรีอริยะเมตไตรเกิดขึ้นลองไปเปิดพระไตรปิฎกทีคนิกายปฏิกวัตวจักรวัดในโสรเล่มที่สิบเอ็ดข้อที่แปดข้อที่สี่สิบแปด ท่านจะได้พบหน้าที่แปดอีกสามพระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องมนุษย์ใหม่มีสิ้นิหม่มีธรรมหลังจากเป็นพระจ้าจักรวรรดิราชแล้วลูกชายของพระเจ้าจักรวตดิโอรสนั้นใหม่มีสิ้นไหม่มีธรรม อายุคนก็ลอยล้อลงข่ะฟันลันแทงศีลห่าเสื่อมซ้ำจนไม่มีในจิตในใจเสพสมกันเหมือนแพะเหมือนแกะเป็ดไก่สุกรแม่กับลูกชายพ่อกับลูกสาวผี่ชายน้องสาวอะไรเสพสมกันไม่รู้จากคู่บาอาจารย์เสพสมกันมั่วไปหมดไหนที่สุดก็เกิดสัทันตะลักับเมื่อเจ็ดวันเจ็ดคืนเค้นฆ่ากันจนตายแล้วก็มีพวกที่นี้ไปอยู่ในป่าในดงไม่อยากจะเค้นจะฆ่าเมื่อมโลกลางคนตายกันหมดก็ออกมาพบกันกตดีใจวิ่งทัาไปกอกันโอ้เราไม่ตายเนอะ ในที่สุดความเมตตาปานิชก็เกิดขึ้นอายุก็ค่อยยืนขึ้นยาวขึ้นยืนขึ้นยาวขึ้ น, น, นถึงแปดหมื่นปีว่ากันว่าอายุห้าร้อยปีจึงมีความกำหนับมีลกูกมีผัวมีเบีย ก, กันได้นี่มีในจักหลักฐานชั้นพระบาลีเราทั้งหลายจะว่าท่านว่าเอาเองเรื่องพระเวสสันดรเรื่องศรีอริยเมตไตรนี่ก็ดูอะไรอยู่รู้สึกจะเป็นนักปราชญ์แก่แดดไปหน่อยถ้าจะเชื่อตามพระบาลีก็ควรจะพิจารณามันน่าจะมีเรื่องราว ที่เป็นจริงอยู่บ้างเพราะมันมีเขาของเพื่อในบีดกจะ ก, กวาดิโู ต, ตทีขณิกายปฏิกับวักเล่มที่สิบเอ็ดข้อที่สี่สิบแปดหน้าที่แปดสิบสามบรรทัดที่หกที 7, ่เจ็ดมีผู้ไปชัดบอกว่าอสาีติวัสสาหัสสาเย ส, สหัส สาโยเกซุพิกเวมนุเสสุเมตเดโยนามะปะกวะโลเกอุปชิสติอระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปนโนสุกโตโลกวีทวนุตลโลบริสธรรมมาสาลธิสถาเทวมนุษย์สานังพุทโภปะกวาเสยยถาปาหาเมตระหิโลเกอุปนโนอระหังสัมมาสัมพุทโธพู้ง่ายๆกับพูดเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันจะเหมือนกับท่านเกิดขึ้นมาในโลกนี้ แปลเป็นภาษาไทยของเราว่าดูก่อนพิษต่างหลายเมื่อมนุษย์มีอายุถึงแปดหมื่นปีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพนาว่าเมตไตรจะเสด็จอุบัติเกิดขึ้นในโลกพระองค์เป็นพระอาหารหันตต่สรุเองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาเจรณะเสด็จไปแล้วด้วยดีรู้แจ้งโลกเป็นสารทีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานและเป็นผู้จำแนก พระธรรมบอกสั่งสอนสัตว์เหมือนแตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกบัดนี้เป็นเพราะอรหันต์ตรัสรุเองโดยชอบพระผู้มีพระเจ้านามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจะทรงทําให้โลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพร ม, มโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพในนี้แล้วท่านก็พูดต่อไปว่าพระภู้มีพระเจ้านามว่าพระเมตไตรพระองค์นั้นจะทรงบริหารภิกษุสงหลายพันเหมือนแตถาคตบริหารพิกษุสงหลายร้อยในบัดนี้ฉะนั้น มีหลายลองคิดดแต่ในเรื่อง